สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสิ่งที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นเสียงจากหนังสือของท่านอาจารย์วสินอินทสระนะคะเรื่องธรรมบททางแห่งความดีจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพศ2514โดยสำนักพิมพ์บรรณาคารมีหเล่มคือเล่มหนึ่งสองสและเล่มสี่ตอนหนึ่ง กับเล่มสี่ตอนสองแต่ที่นำมาอ่านนี้พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมดาซึ่งมีสีเล่มแต่ละเล่มมีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว22เซนติเมตรเล่มที่หนึ่งมีห้าวร์ค558หน้าท่านอาจารย์เขียนอุทิศบูชาพระคุณแห่งพระพุทธโคสาาจารย์และพระเถรานุเถระ ผู้บริหารพระศาสนาสืบๆกันมาตราบจนปัจจุบันนี้เล่มที่สองมีหวร์ค5 5าหน้าอุทิศบูชาพระคุณท่านเจ้าคุณพระกิติวิมลเมธีกิติสาโรวัดบุพพารามกรุงเทพปัจจุบันคือพระราชดิลกซึ่งมรณาภาพแล้วเล่มที่สมี8ดวร์ค 717หน้าอุทิศบูชาพระคุณคุณแม่เติมกล้วยไม้ณอายุทยาผู้ตั้งค่าพเจ้าไว้ในฐานะแห่งบุตรของตนเล่มที่สมีแดวักรคหหน้าอุทิศบูชาพระคุณแห่งคุณนาสําอาชูเกตผู้ทากิจซึ่งทำได้ยากแก่ข้าพเจ้ามาเป็นเวลานา น, านปีหมายเลขวัก จะต่อเนื่องกันไปจากเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่สรวม26วัตท่านอาจารย์กล่าวว่าพระธรรมบทตัวจริงนั้นเป็นพระพุทธภาษิตล้วนๆอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25หน 71, มหน้า15หถึง71รวมห6หน้าไม่มีนิทานและคำอธิบายใดๆหนังสือธรรมบททางแห่งความดี โดยสำนักพิมพ์ธรรมดาทุกเล่มจะเริ่มด้วยคำอุทิศคำนอบน้อมของผู้เรียบเรียงคำนำในการพิมพ์ครั้งที่4และคำนำสำนักพิมพ์สำหรับเล่มที่หนึ่งได้รักษาประวัติของหนังสือไว้โดยมีคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งสสเพิ่มเติมไว้ด้วยขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ทางแห่งความดีด้วยกันนะคะ ธรรมบททางแห่งความดีเล่มที่หนึ่งคำอุทิศขอน้อมอุทิศบูชาพระคุณแห่งพระพุทธโคสาจารย์ผู้รจนาอัตถกถาธรรมบทด้วยคาระวะอันสูงยิ่งและขอน้อมบูชาพระคุณแห่งพระเถรานุเถระผู้บริหารพระศาสนาสืบสืบกันมาตราบจนปัจจุบันนี้วสิณอินทศระ ทำนอบน้อมของผู้เรียบเรียงพระเถระไดานามว่าพุทธโคสาจารย์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมด้วยเสียงกล่าวซึ่งพระเถระนั้นผู้มีคุณะสมุทัยเป็นอเนกมีศีลอันบริบูรณ์และอาจาระอันงามเป็นต้นเป็นผู้ประดับด้วยคุณคือศรัทธาความเพียรและปัญญาผู้ซื่อตรงอ่อนโยน ฉลาดในลทัทธิของตนคือพระพุทธศาสนาและละทัทธิของผู้อื่นคือศาสนาอื่นๆมียานและปัญญามิได้ติดขัดในคำสอนแห่งพระศาสดาฉลาดรอบรู้ทั้งในพระไตรปิฎกและอัถกถามีความชำนาญในวยาก์พูดได้ไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานเป็นนักพูดชั้นเยี่ยมเป็นมหากวี เป็นเครื่องประดับของหมู่คณะรุ่งเรืองดังประทีปในหมู่พระเถระด้วยกันมีความรู้ไม่ติดผัดในอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์มีอภิญยาหกและปฏิสัมพิธาสี่เป็นต้นมีความรอบรู้หมดจดบริบูรณ์ได้รจนาคำพีอัตถกาถาธรรมบทไว้แล้ว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 วสิ์อินทสระคำนำในการพิมพ์ครั้งที่สสำนักพิมพ์ธรรมดาโดยคุณสันติและคุณจันทิราขออนุญาตพิมพ์หนังสือชุดทางแห่งความดีด้วยศรัทธาในหนังสือชุดนี้เป็นอย่างยิ่งตั้งใจจะจัดทำรูปเล่มใหม่ มีภาพประกอบเพื่อให้ทันสมัยขึ้นเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากขึ้นและเก็บไว้ได้นานขึ้นด้วยข้าพระเจ้าขออนุโมทนาต่อกุศ ล, ลเจตนาอันนี้หนังสือทางแห่งความดีเล่มหนึ่งนี้ได้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ27พฤศจิกายน2514เป็นเวลา น, านานถึง32ปีมาแล้ว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 อ่านให้ฟังกันหลังจากสวดมนต์ทมวัดเช้าหรือทรรมวัดเย็นเสร็จแล้วเป็นการช่วยกันส่งเสริมพระศัทธธรรมให้แพร่หลายตามกำลังของแต่ละคนในหนังสือชุดนี้ท่านผู้อ่านจะได้แก่นธรรมในส่วนที่เป็นพระพุทธภาสิทธ์จะได้ความรู้เกี่ยวกับมติของพระอัทธกถาาจารย์จากนิทานประกอบเรื่อง และได้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธภาสิทธ์มากขึ้นจากคาอธิบายขยายความของผู้เขียนถ้าท่านอ่านจบทั้งสี่เล่มของหนังสือชุดนี้ท่านจะเข้าใจพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมเป็นอันมากและแม้ในส่วนที่ลึกซึ้งก็จะได้จากพระพุทธภาสิทธ์ซึ่งขึ้นต้นไว้ทุกเรื่องข้าพเจ้าหวังว่า หนังสือซึ่งพิมพ์ใหม่โดยสำนักพิมพ์ธรรมดานี้จะเป็นประโยชน์ยั่งยืนมากขึ้นขออวยพรให้สำนักพิมพ์และท่านผู้อ่านประสบความสุขและเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระ20พฤศจิกายน2546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 หากขาดความรู้ความเข้าใจยังลึกซึ้งถูกต้องแล้วย่อมเป็นสาเหตุให้ชีวิตต้องพลาดจากเป้าหมายหรือล้มเหลวในที่สุดทางแห่งความดีคือหนทางเดียวที่สามารถจะนำพาชีวิตของเราให้พบกับความสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงถาวรเพราะการเดินทางชีวิตผ่านทางแห่งความดีเรียบเสมือนกับ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 หนังสือทางแห่งความดีชุดนี้นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธทุกคนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมอยู่ในหนังสือซึ่งมีด้วย ก, การสีเล่มความหนาประมาณ 2,500 หน้านี้ท่านอาจารย์วสินินทศระได้ร้อยเรียงขึ้นมาจากการศึกษาอัทธคถาธรรมบทซึ่งมีที่มาในพระไตรปิฎกซึ่งก็คือคาถาพระพุทธภาสิทธิ์ที่เราคุ้นเคยกันดี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 ก็จะทำไว้ที่เชิงอัดหรือฟุตโนตด้วยทุกแห่งผลงานชุดนี้จึงนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าชิ้นเอกของพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์วสีนินทศระมีความตั้งใจไว้อย่างสูงยิ่งที่จะนำสมบัติอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนานี้มาบัรจงสร้างสรรผลงานในรูปแบบใหม่ให้ร่วมสมัย คืออ่านง่ายและทำความเข้าใจได้ง่ายนำมาประยุกต์ใช้ปรับชีวิตได้จริงและถึงตับเคยปรารกกับสำนักพิมพ์ธรรมดาว่าเมื่อครั้งที่สามารถเขียนหนังสือชุดนี้จบลงได้รู้สึกมั่นใจว่าได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์แล้วและถ้าต้องตายในวันเวลานั้นเดี๋ยวนั้นก็จะไม่เสียใจ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 อย่างผู้มีสติและมีปัญญาเพื่อช่วยให้พระพุทธศาสนาแห่งชีวิตนี้ยังคงเอื้อประโยชน์สุขให้แก่ทุกทุกคนตราบนานเท่านานท้ายที่สุดนี้นับเป็นความเมตตากรุณาอย่างสูงจากท่านอาจารย์วสินอินทสระที่ได้อนุญาตให้สำนักพิมพ์ธรรมดาเป็นผู้นำผลงานอันล้ำค่านี้มาปรับปรุงจัดพิมพ์ใหม่ โดยแก้ไขในส่วนที่ยังมีคำผิดอยู่บ้างและวาดภาพประกอบเพิ่มเติมเพื่อสื่อความหมายให้เป็นรูปประธรรมและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นออกแบบปกและรูปเล่มใหม่ให้ร่วมสมัยน่าอ่านน่าจับและดูทรงคุณค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มอย่างปราณีตเลือกใช้แต่วัสดุที่ดีและมีคุณภาพเพื่อช่วยรักษาหนังสือ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 คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหลายปีมาแล้วข้าพเจ้าเคยแนะนำให้ผู้รู้จักคุ้นเคยหลายท่านอ่านคำพีอัตถกถาธรรมบทฉบับแปลเป็นไทยโดยคณะกรรมการแผนกตำรามหามุุษราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สองสาเดือนต่อมาเมื่อได้พบกันอีกท่านเหล่านั้นบอกว่าอ่านไม่เข้าใจ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 เพื่อเป็นคู่มือของนักเรียนบาลีโดยตรงมิได้คิดออกไปถึงชาวบ้านด้วยดังข้อความตอนหนึ่งในคำนาของผนแหนกจำราว่าแต่การแปลนั้นได้ขอให้แปลตามวิธีการที่กองํำราได้วางไว้เพื่อให้หนังสือเป็นระเบียบเดียวกันไม่ลักลั่นโดยถือหลักว่าแปลให้ได้ความชัด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 จะทำอัตถกาถารรมบทใหม่ใช้สำนวนง่ายทอดเอาแต่ใจความไม่ต้องรักษาศัพท์และรูปประโยคอย่างที่แผนกตำรามหามากุฏราชวิทยาลัยจัดทมเมื่อตกลงใจแล้วก็ลงมือทาเริ่มด้วยการยกเอาคาถาพระพุทธภาสิตเป็นบทตั้งแล้วแปลอธิบายความและนำเรื่องมาประกอบตามลำดับ อย่างที่ท่านเห็นอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตอนใดควรออกความเห็นหรือบันทึกอย่างไรข้าพเจ้าได้ทําไว้ที่เชิงอัดหรือฟุตโน้ต ท, ทุกแห่งไปข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมกา ร, รแผนกตำ ร, รามหามกุฏราชวิทยาลั ย, ยและท่านผู้แปลเดิมที่ได้ทําแนวทางไว้ซึ่งข้าพเจ้าได้อาศัยเป็นอันมากในการจัดทำทางแห่งความดีครั้งนี้ พระธรรมบทตัวจริงนั้นเป็นพระพุทธภาษิตล้วนๆอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม25ระหว่างหน้า15ถึง71รวม56หน้าแบ่งเป็น26วรรคไม่มีนิทานและคำอธิบายใดๆแต่อธถกถาธรรมบทของพระพุทธโคสาจารย์นั้นมีเรื่องราวประกอบพระพุทธภาษิต เรื่องเหล่านั้นส่วนใหญ่ท่านเก็บมาจากพระไตรปิฎกบ้างจากอธัธกถาอื่นๆบ้างหมหอหุ้มเพชรอันล้ำค่าคือพระพุทธภาษิตไว้เป็นธรรมนองนิยายอิงหลักธรรมดังได้กล่าวแล้วตำราเหล่านี้ตีพิมพ์ในภาษาบาลี แ, spring, แม้จะแปลแล้วแต่แปลเพื่อเป็นคู่มือภิกษุสามเณรผู้เรียนบาลีโดยตรงแม้กระนั้นก็ตาม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 ส่วนที่เป็นพระพุทธภาสิทธ์นั้นได้คงไว้ในรูปปาลีเพื่อสะดวกแก่ท่านผู้ต้องการค้นคว้าอ้างอิงหรือจดจำข้าพเจ้าทราบว่ามีฝรั่งบางคนหันมานับถือพระพุทธศาสนาเพียงเพราะได้อ่านคำพีอัตถคถาธรรมบทเพียงคำพีเดียวเท่านั้นคำพีนี้เป็นเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งซึ่งสองแสงแวววาวอยู่ในสังขมนทน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 ชื่อของหนังสือเรื่องนี้ว่าทางแห่งความดีนั่นเป็นการแปลอย่างตรงตัวจากคำว่าธรรมบทนั่นเองเห็นฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า the path of virtue บ้าง the path of goodness บ้างซึ่งก็แปลว่าทางแห่งความดีเหมือนกันคำว่าธรรมตัวเดียวในภาษาบาลีนั้นมีความหมายมากมายหลายประการ แต่โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงคำว่าธรรมความสำนึกของพวกเราก็แล่นไปที่คุณงามความดีธรรมในคำว่าธรรมบทนี้ก็มีความหมายอย่างนั้นข้าพเจ้าจึงพอใจให้ชื่อหนังสือนี้ว่าทางแห่งความดีบุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดีแต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดีก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้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 ขอบุญกุศลนั้นต้องเป็นปัจจัยอันมีกำลังช่วยสนับสนุนประคับประคองให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่แต่ในทางแห่งความดีกีดการการแวะเวียนไปสู่ทางแห่งความชั่วให้พอใจในกุศลและสุจริตเหินห่างจากโรคาพาดภัยพิบัติมีความปรารถนาที่ชอบธรรมเต็มบริบูรณ์มีกาลังกายกาลังใจ ในการบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมชาติของข้าพเจ้าตลอดชีวิตวสีนินทศระยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบสี่คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สอง จากการพิมพ์ครั้งที่1 2515สองพันห้าร้อยสิบห้ามาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา7ปีเศษย่างเข้า8ปีเวลา8ปีได้เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปเป็นอันมากถ้าเด็กคนหนึ่งอายุ13ปีเมื่อ8ปีก่อนมาบัดนี้ก็มีอายุได้20ปีบริบูรณ์ย่างเข้าปีที่21ถ้าเขาเป็นผู้ชาย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 ส่องทางให้ผู้มีจักษุคือปัญญาได้มองเห็นว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำและอย่างชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุภานอันพ้นโศกวิโยคภัยอยู่ชั่วนิรันดร์การการก้าเข้าสู่ทางแห่งความดีแล้วเดินหน้าไม่ยอมถอยหลังนั้นเป็นพรอันประเสริฐของชีวิต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 ได้โปรดคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จสมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามและชอบธรรมทุกประการวสีนอินทศระสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา 27. มีนาคม2523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 เวลา1ิปีนานพอที่จะเปลี่ยนอะไรๆ ไ, ได้มากทั้งทางดีและทางร้ายสุดแล้วแต่เหตุปัจจัย causes and factors ถ้าสร้างเหตุปัใจจัยในทางที่ดีย่อมเปลี่ยนไปในทางที่ดีถ้าตรงกันข้ามย่อมเปลี่ยนไปในทางที่ร้ายขณะที่เขียนคำนำนี้คือเช้าวันที่หมกราคมพศ2534 โลกกาลังประวัติพรั่นพรึงต่อสงครามโลกครั้งที่สซึ่งอาจระเบิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้จุดระเบิดอยู่ที่เหตุการณ์น้าอ่าวเปอร์เซียประเทศอิรักทั้งนี้ย่อมสุดแล้วแต่การตัดสินใจของชาติมหาอำนาจต่างๆซึ่งกรรมชะตาของเหตุการณ์โลกอยู่ตามประวัติของมนุษยชาติเท่าที่พอรู้ได้ ตั้งแต่อดีตกาลนานไกลจวบจนปัจจุบันมนุษย์ได้ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาและดิ้นรนเพื่อสนองกิเลสตัณหาอย่างน่าสมเพช เ, เวทนามนุษย์ได้ค่อยๆสะสมอาวุธยุธโทโธปกรอันมีอำนาจทำลายมหาศาลขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำลายล้างผู้อื่นบ้างเพื่อป้องกันตนเองบ้างเพื่อสนองความโลภความโกรธและความหลงของตนบ้าง ซึ่งในการนี้พวกเขาต้องลงทุนลงแรงมากมายเหลือคนานับถ้าพวกเขาใช้ทุนและแรงเหล่านี้ไปในทางสร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างสมอารยธรรมในความหมายอันถูกต้องถ่องแท้จริงๆแล้วมนุษย์เราจะเป็นอารยะชนอันพึงนิยมสักเพียงใดถ้ามนุษย์เรามีธรรมสักข้อหนึ่งเป็นหลักสำหรับดาเนินชีวิต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 ความคิดในการไม่เบียดเบียนนั่นคือให้มีชีวิตที่เรียบง่ายมีเมตตาการุณาต่อกันหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อกันถ้ามนุษย์เราดำเนินชีวิตอยู่ในรอยนี้แล้วโลกจะสงบเย็นเพียงใดความไม่เบียดเบียนนั้นเป็นบรมธรรมอหิงสาปรมโมธรรมโมไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นและตนเอง บางคนควบคุมตนไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถห้ามใจตนเองมิให้คิดไปในทางเบียดเบียนตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนอยู่เสมอความร้อนเกิดขึ้นในตนเองก่อนแล้วแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นถ้าเป็นผู้มีอํานาจมากความร้อนก็ขยายออกไปมากถ้าแต่ละคนดับความร้อนในใจตนเสียได้